ในโลกทิพอันเป็นส่วนของภูมิแห่งความสว่างนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะรบกวนจิตใจของบุคคลให้วิปริตผันแปรไปจากลักษณะเดิมของเราตรงกันข้ามปัจจัตลักษณะหรืออุปนิสัยและความโน้มเอียงอันเป็นลักษณะประจำตัวของเราจะเจริญงอกงามขึ้นอย่างเต็มที่เราทำงานกันไม่ใช่เพื่อให้เป็นเครื่องหากินเลี้ยงชีวิตแต่เพราะเรารู้สึกถึงความสุขที่ได้ทางานนั้น ซึ่งถูกกับนิสัยของเราและซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยผลรางวัลของงานนั้นไม่ใช่เป็นผลทางวัตถุที่ไม่ยั่งยืนอะไรแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความก้าวหน้าทางจิตใจของผู้ทาเองซึ่งจะทำให้ผู้นั้นได้เลื่อนไปอยู่ภูมิสูงขึ้นไปเป็นลำดับชีวิตของบุคคลในโลกทิพมีความสาราญอย่างแท้จริง เราทำงานกันอย่างหนักก็จริงและบางครั้งก็ทำการติดต่อกันไปเป็นเวลานานๆด้วยแต่งานนั้นก็เป็นความสาราญของเราอย่างหนึ่งเราไม่ได้ฝืนใจทำงานด้วยความเบื่อหน่ายเราไม่ได้ดิ้นรนต่อสู้เพื่อการครองชีพอย่างสายตัวแทบขาดอย่างโดดเดี่ยวปราศจากผู้ช่วยเหลือและเห็นใจในภูมิที่ข้าพเจ้าอยู่นี้หากมีผู้หนึ่งผู้ใดคิดว่าจะต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นแม้เพียงเล็กน้อย ไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตามรับรองว่าจะมีผู้ยินดีให้ความช่วยเหลือทันทีด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งและก็ไม่มีใครที่จะปฏิเสธคือไม่ยอมรับความช่วยเหลือนั้นเพราะเกรงว่าจะเป็นการทาให้ตนเสียศักดิ์ศรีไปเลยเราอยู่กันในภูมินี้นับเป็นจำนวนล้านล้านคนแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีร่องรอยแห่งความร้าวฉานเกิดขึ้นในระหว่างผู้ใดในที่แห่งใดเลยแม้แต่น้อย คติธรรมประจำใจและหลักปฏิบัติของเราทั้งหมดคือความสมรคีและความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดการคำอธิบายเพิ่มเติมจากอาจารย์พรรัตนสุวรรณมาเหตุข้อที่26การทำงานในโลกที่ ทุกคนทำได้โดยเสรีไม่มีใครบังคับดังที่กล่าวมานี้ทั้งนี้ก็เพราะความจำเป็นที่จะต้องหาเลี้ยงร่างกายเหมือนกับในโลกมนุษย์นั้นเนื่องจากในโลกทิพย์ไม่มีทุกคนจึงมีเวลาเหลือสำหรับที่จะทำอะไรได้ต่างๆตามความพอใจข้าพเจ้าอยากจะให้ข้อคิดไว้สักอย่างหนึ่งว่าการที่บุคคลในโลกทิพย์มีเสรีอย่างดียิ่งนั้นก็เพราะทุกคนดำเนินชีวิตไปตามเหตุผล ไม่ทำอะไรด้วยอารมณ์ขอให้นึกถึงหลักที่ว่าคนที่จะไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าอยู่ในภูมินี้ได้จะต้องเป็นคนมีเทวธรรมคือสมบูรณ์ด้วยหิหริและโอตั ป, ปักตั้งมั่นอยู่ในกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายมีใจสงบมีสัปุริสธรรมและในโลกมนุษย์ก็เหมือนกันในกลุ่มของคนที่มีคุณธรรมทัดเทียมกันทุกคนก็จะมีเสรีอย่างเดียวกับในโลกทิพย์เหมือนกัน ผลในการทำงานในโลกทิพย์ก็คือความก้าวหน้าในทางจิตใจอันนี้ข้าพเจ้าใกล้ที่จะให้ท่านสังเกตและจดจำไว้ให้แม่นในโลกมนุษย์คนส่วนมากทำงานเพื่อเงินแต่ในโลกทิพย์เขาทำงานกันเพื่อความก้าวหน้าในทางจิตใจและโปรดสังเกตว่าคนที่อยู่เฉยๆโดยไม่ทำงานอะไรจิตใจจะก้าวหน้าไม่ได้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความเกียรติคร้านเป็นอบายยมุกอย่างหนึ่งคือเป็นทางแห่งความเสื่อมความหายเนะและอีกแห่งหนึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าคนที่เกียรติคร้านมีความเพียนเลวมานย่อมครอบงำบุคคลประเภทนี้ได้ง่ายเหมือนต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงพอถูกลมพัดก็จะโค่นได้ง่ายฉันนั้น กลับเข้าเนื้อหาในหนังสือนะครับ